มาพร้อมกันแล้วก็นัน่งภาวนาแล้วนี่การนั่งสมภาวนาให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาเมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เทียงกลองหลับตาตั้งใจนึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่าฟังธรรมให้เรานึกว่าเราจะระวังรักษาจิตไม่ให้คิดออกไปนอกกายนอกตัวเรา จะให้อยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโดยเฉพาะก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินที่เราได้ยินนี่คือคนหูดีถ้าหูตึงหูหนวกก็ไม่ได้ยินการที่ได้ยินนั้นแม้จะหูดีก็ตามแต่ใจไม่ตั้งใจไม่อยู่ใจไม่ฟังใจไม่นิ่ง ใจไม่เป็นดวงเดียวก็ไม่ได้ให้มัดใจให้มันอยู่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจจริงๆเจตใจนั่นจึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอันการตั้งจิตเจตนาให้มั่นลงไปในจิตใจของตนนั้นจงพากันระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมมาสัสดาจารย์ของเราทั้งหลายในวันที่พระพุทธเจ้าจะเด็ดจัดเป็นพระพุทธเจ้านั่นพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิแล้วก็ น, นั่งตั้งจิตตั้งใจจริงๆด้วย สวนบทภาวนาของพระพุทธเจ้าก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาในเราทั้งหลายท่านนึกอันใดก็ให้นึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจเอาลมหายใจมาสังเกต ด, ด้วยคือว่าลมหายใจมันเป็นธาตุลมมีเข้ามีออกอยู่ทุกลมหายใจ ถ้าหากว่าใจยังรู้สึกลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจก็จะได้มีสติระลึกอยู่ในที่นี้และให้ถือที่นี้ที่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นหลักปฏิบัติไม่ต้องคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องคิดไป มัดใจเราลงไปที่ลมหายใจเข้าออกเหมือนพระพุทธเจ้าภาว น, นาวันที่พระองค์จะได้ตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเราทุกคนก็จะต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปชั่วระยะหนึ่งคือชั่วเวลาเรานั่งภาวนานั่งสมาธิ ราวังรักษาจิตใจไม่ให้ออกหนีจากร่างกายไปเราหลับตาภาวนาตั้งใจมั่นคงลงไปก็ให้ใจมั่นคงอยู่ในใจของเราจริงๆอดีตอนาคตเรื่องทั้งหลายเลเป็นเรื่องของกิเลสในโลกไม่มีทีิสิ้นสุดเหมือนกับเราเดินไปข้างหน้า จะให้สุดผืนแผ่นดินไม่ได้เดินไปก็ตายเปล่าๆไม่มีที่สุดจะเดินมากลับมาข้างหลังก็ไม่มีที่สุดที่สุดของโลกไม่มีความคิดความนึกที่ปรุงแต่งโยในจิตใจของเราเนี่ก็อย่าไปตามมันไปตามไปแล้วก็ไม่สุดไม่สิน้น ล้วนแล้วแต่โกโหกพกลมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ชื่อว่าพระองค์ลบกับมารพยามารอะไรอย่างนั้นพยามารกิเลสตามตำนานว่าเหมือนกับว่าพยามาร น, นั้นขี่ช้างมาเสนามารก็ลอบมาเหมือน คนกองทัพสมัยโบราณมาลบกับพระพุทธเจ้าลบมาให้พระพุทธเจ้าภาวนาแต่พระองค์ไม่ท้อถอยพระองค์ว่าเราได้ตั้งใจตายในที่นี้แล้วพยามานกิเลสไม่ต้องมาหลอกลวงให้เราหลงไหลต่อไปอีก เราจะเอาที่นั่งลงกอาต้นลุกขโมลนี่แหละเป็นที่ตายเรายอมตายที่นี่ไม่ยอมไปตายที่อื่นไม่ลุกไปไหนตั้งใจภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนเป็นเวลานา น, านจิตใจพระองค์จึงสงบระงับลงตายได้ ประมาณได้ความว่าเที่ยงคืนไปและจิตใจของพระองค์จึงหยุดความคิดเล็กๆน่้อยๆ อ, ยอมันมีประจำอยู่ในใจเราทุกคนไม่ว่านั่งเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งใจให้มันเต็มที่ยกกายยกจิตให้สงสงตาก็ให้หลับไม่ต้องดูอะไร โดูมาแต่เกิดจนวัดนี้หลายสิบปีแล้วยังจะดูไปถึงไหนอีกฟังเรื่องเอื่นเรื่องภายนอกไม่ได้ฟังธรรมก็ฟังมาตั้งแต่เกิดตื่นนอนมาก็ได้ยินเสียงเมือนก็ฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงภาวนาในจิตในใจเราไม่ต้องไปฟังอะไร ฟังภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกฟังภาวนาตายในใจของเหล่านี้ให้ได้ให้เข้าใจคือต้องทำจริงๆพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาได้สี่สงไขแสนมหากับ นับจากได้รับทรัพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังก่อนมามาถึงลุกขโมน ล, ล่มไม้ต้นไม้โผ่พระองค์ก็ตั้งใจเด็ดขาดอะไรอะไรเอาตายสู้อย่างเดียวมานกิเลสก็ไม่มีทางที่จะมาเสี้ยมสอนให้พระองค์ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีก เราทุกคนก็ให้ตั้งใจนึกรวมจิตรวมใจขึ้นมาอย่าไปให้ใจท้อถอยให้ใจมีกำลังมีความสามารถภายในใจของตนจริงๆเดี๋ยวว่าตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ต่อไปเจ็ดใจเราจะไม่หวั่นไหวตามอารมณ์กิเล จะตั้งจิตเจตนาภาวนาเอาจริงเอาจังจริงๆแปลว่าทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจเคลื่อนที่หนีออกจากร่างกายร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอกมีผมอยู่บนเกษา ผมเรียกว่าเกสาผมผมนี่เมื่อยังเด็กยังเล็กผมดำต่อมาผมก็ขาวไปงอกไปเป็นธรรมดาแสดงให้เราทุกคนเห็นว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนนี้มีความแก่ชราเหมือนผมหรือเหมือนฟันมันมีแก่ชราเหมือนฝันฟันหรือเขี่ยว เวลามันแก่มาก็เจ็บปวดถึงขั้นฟันหลุดหลุยออกไปนี่และในร่างกายสาสร่างกายสังขารของเราทุกคนให้เห็นว่ามันความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นจิตต้องดูกายดูใจของตัวเองให้มันทั่วถึงให้มันรอบขอบอย่ามาดูแต่เพียงผิวเผิน ทำใจให้ว่าวุ่นไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงวนวายไปในเรื่องผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ยังจิตใจของตนลงไปโซลักปฏิบัติธรรมหลักปฏิบัติธรรมเป็นหลักปัจจุบันหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้ โดโยที่ลมหายใจเข้าและออกลอมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตมันหลงลืมคิดนึกไปที่อื่นลมที่เข้าไปในก็แสดงความตายได้เวลาคนเราจะตายลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดเต ด, ดขัดอย่างไรอย่างหนึ่งลอมออกไม่ได้ ก็ตายละ่ะนี่แหละความตายอยู่ที่นี่อยู่ที่ลมหายใจอายุสังขารที่เรานับกันเท่านั้นปีเท่านี้ปีไม่แน่อายุชีวิตจริงๆมันอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจนี่หมดเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าหมดอายุหมดชีวิต ไม่มีอะไรต่อโดอยนี้กำหนดอยู่นี้ภาวนาอยู่ที่นี่ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาโสจิตใจของตัวเองจริงๆถ้าไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาสอนใจตัวเองใจมันก็ประมาทประมาทมันก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวแต่ว่าเวลามันเจ็บเข้ามาล่ะเอาล่ะกลัวล่ะ เวลาความตายมาถึงเข้าก็ทุรุนทุลายเพราะมันไม่กำหนดพิจารณาไว้ก่อนฉะนั้นเดี๋ยวนี่ขณะเ น, น่ให้ทุกๆุกดวงใจตั้งใจลงไปในจิตใจของตนเอาให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเรา คนเอิญผู้เอ่ญเขาจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายอย่างไรไม่เกี่ยวข้องดูความแก่ความเจ็บความไข้ของตัวเองอันมีอยู่ในร่างกายสังขารจิตใจของตัวเรานี่แหละดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสังขารร่างกายนับตั้งแต่เราตื่นนอนมาแต่เมื่อคืนแล้วนี้ จนบัดนี้นะเราเืินที่ไหนเดินที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนในวันนี้เวลานี้ให้เราลำเลึกดูว่าอันความแก่ความชรามันไม่ได้หยุดหย่อนทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่เรื่อยไปมันเจ็บเรื่อยไปมันตายเรื่อยไปเหมือนเข็มนาฬิกามันเลื่อนไปอย่างนั้นแหละ คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูที่กายที่ใจของตัวเองเอาให้มันรู้ไม่โล่ยาได้ปล่อยยาได้ลืมสติสติความะระลึกได้รเลึกได้โยในตัวในกายของตัวเองร่างกายเต็มไปด้วยปุพโพลอยหิเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ให้ดูล่างกายสังขารของตัวเองไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่ลมหายใจดูที่อิรยาบด ท, ที่มันเยินมันเดินมันนั่งมันนอนพูดจาป่าใสาอะไรต่อมิอะไรตั้งใจดูตั้งใจฟังอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อันจิตใจคนเหล่านั้นไม่ใช่มันไปอยู่ที่อื่น ที่โยของใจก็คือตัวตนคนเรานี่เลยแต่ดวงจิตดวงใจจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นธาตุร่างกายที่เรามองเห็นนี่อันนี้แล้วว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งเศดินน้ำไฟลมมีแล้วจิตใจก็มาอาศัยอยู่ การจิตใจมาอาศัยนี้ก็มาอาศัยโยตั้งแต่เรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่โยในท้องแม่นน่นมาจนเกิดออกมาจนคลอดออกมามาดิน้นรนวุนว่นวายอยู่ในร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยชลาพยาธินี้ตลอดกาล จงดูจงภาวานาอยู่ที่นี้พุทโธ อ, อยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่โ น, น้นที่ใดมันล่วงมาแล้วก็ให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องเก็บมาคิดมานึกสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันบัดนี้เรามานั่งภาวานาอยู่ที่นี้ จองทำจิตใจของตนให้มีความองค์อากลาหารมีสติเต็มที่มีสมาธิคือความตั้งมั่นลงไปในใจของตนให้เต็มที่มีปัญญาคือว่าให้มีความรอบรู้อยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองมันแสดงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยไปแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา จงองดจองเห็นจงพินิษพิจารณาไม่พิจิตพิจารณาเดี๋ยวนี้เวลานี้จะไปพิจารณาเวลาใดต้องเอาปัจจุบันนี้แหละมาตั้งขึ้นมาโซ่ใน ใ, ใจยกจิตใจให้มันสูงขึ้นมาจะให้จิตใจมันลอยเหมือนงูไปทางใดก็ลอยไปนะ ไม่ให้ใจเลื่อนลอยใจปักมั่นลงไปแล้วว่าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจออกลำาลึกโยภายในนี่แหละคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารอันเป็นธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อเนกก็เป็นสังขารธาตุดินธาตุน้ำติดตังน้ําดีเสมหังน้ําสะเดหตุพพน้ําเหลืองโลหิตตังน้ําเลือดเสโทน้ําเหือเมโทน้ํามันข้นอัตโตน้ําตาวะสาน้ํามันเหลวเขโลน้ําลายสิงกานิกาน้ําโม่ละศีการน้ําไขข้อมดตังน้ําโม่ ธาตุน้ำก็มีอยู่ในตัวเรานี่เองดูธาตุน้ำภายในร่างกายนี่โดยเฉพาะคือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองอันมีอยู่ในร่างกายของคนเราเต็มไปหมดเรายังมองไม่เห็นในร่างกายตัวเองมันดูแต่ผิวผเผินดูแต่ผิวหนังออกไป ภายในหนังหุ้มโยนี้ถ้าเราถลกหนังออกเสียแล้วที่เราสมมติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นความสวยความงามนั้นไม่มีเอาหนังออกแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงเลือดไหลมันงามที่ไหน ถ้าปาดเอาเนื้อออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกแล้วมันสวยงามที่ไหนร่างกายสังขารมันก็เป็นเหมือนผีเผด ธ, ธรรมดานั่นแหละยังเหลือแต่ล่างกระดูกทุกคนคลองยินได้เห็นเขาเอาล่างกระดูกของคนที่ตายแล้วมามัดไว้ ต่อไว้เอาลวดมัดเราแขวนไว้นะ่ะดูทีเนียเราไม่ได้แขวนดังนั้นก็ตามมานั่งธรรมดายืนธรรมดาเดินธรรมดาไปมาธรรมดากระดูกอันนี้มันก็ต่อกันอยู่ถ้ากระดูกไม่ต่อกันมานั่งภาวนาไม่ได้มันหลุดออกไปแล้วก็กองอยู่แผ่นดินเดี๋ยวนี้กระดูกมันยังต่อกันอยู่ติดกันอยู่นะ ต้องโดดต้องภาวนาเพียนแท่งโดให้ลูกแจงด้วยปัญญาของตัวเองในร่างกายสังขารที่เรามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเป็นความลุ่มหลงมัวเมาเป็นความไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่เอาจริงเอาจัง ปล่อยให้กิเลสความโกรธมาทับถมน้ำใจปล่อยให้กิเลสความโลภตัณหามาทับถมจิตใจปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาในกิเล ส, สกามวัตถุกรรมมาทับถมจิตใจจนกระทั่งยกจิตใจขึ้นมาไม่ได้จิตใจก็เบื่อหน่ายคลายจากการทําคุณงามความดี มีแต่น้ำใจอ่อนแอทอดแท้กลัวตายกลัวตายจะเอาไปไว้ที่ไหนเท็ดโดใหเดว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่ให้ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่มีทางเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมันก็ตายไม่มีวิญญาณเหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนต้นไม้อย่างมันก็ยังตายได้ ต้นไม้ตายมันเป็นอย่างไรต้นไม้ตายมันก็ใบล่วงหลน่นกิ่งก้านสาขาก็พวกพงลงมาคอนตายมันก็เหมือนกันเมื่อลมหายใจขาดสะบั้นหันแหลกลงเมือ่อใดเวลาใดร่างกายสังขารที่เราว่ายังเด็กยังนมยังแข็งแรงมันแข็งแรงที่ไหน หมดลมหายใจมันก็แข็งกระด้างเช ก, ก่อนทักหนึ่งถ้าเก็บไว้สองสามวันทิ้งไว้ดูทีมันจะพองขึ้นมาล่ะเน่านำเลือดนำเหลืองมันก็จะแตกไหลออกมามันมั่นคงถาวรที่ไหนมันเน่าอย่างนั้นมันดีอย่างไร มันวิเศษวิโสอะไรต้องดูดูล่างกายสังขารเอามาสอนใจของเราเมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายคนอื่นเจ็บก็เอามาสอนใจของเราเมื่อถึงเวลาเราเจ็บก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อถึงเวลาเราตายก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเขาตายให้เราเห็นพระเนนบังองยังได้ไปสวดมาติกาบังสกุล เวลาคนตายเป็นนโยบายของคนเก่าแก่โบราณให้ทั้งคนทั้งพระทิจารณากรรมาฐานในตัวของตัวเองเมื่อดูตัวเองไม่เห็นก็ดูมาจากคนตายคนอื่นเขาตายเมื่อตายแล้วอะไรมันปรากฏ ก, การก็ร่างกายสังขารก็นิ่งแน่ไปไหนไม่ได้ พอตายหมดลมเท่านั้นแหละกินเน่ากินเหม็นก็จ ะ, สะแสดงออกมาจมูกก็จะได้ดมของเหม็นมันดมแต่ดอกไม้ของหอมเลยไม่รู้จักของเหม็นเวลาคนตายแล้วมันไม่ใส่หอมแล้วมันเหม็นถ้าผีตายนานๆเข้ามันไม่ได้เผาไม่ได้ฝังมันกินมันพุ่งออกมา พระเนรไปกินข้าวที่หน้าศบกินไม่ได้ละมันเหม็นเน่าอ่าอะไรมันเน่าก็คือร่างกายของเขาของเรามันเหมือนกันกินมนุษย์นั้นไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนชาติใดภาษาใดตายแล้วมันกลเน่าเหม็นเหมือ น, เ ห, อนเหมือนกันหมดตายแล้วเนื้อก็ไม่ได้กินเหมือนสัตว์เนื้อสัตว์มนุษย์ยังเอามากินสัตว์อื่นยังกินได้ แต่มนุษย์ตายแล้วกินไม่ได้ปล่อยให้เนา่าพวะพังไปเท่านั้นเองนี่แหละครั้งเรามาหลงเย็ดหลงถือหน้าตาตัวตนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นความหลงชัดๆมันหลงมันเมามาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาติกรบชาติใดๆมันก็หลงมามัวเมามาอย่างนี้แหละ แล้วจะหลงไปถึงไหนหลงไปอย่างนี้อยู่ของเก่ามันไม่ไปไหนมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ถ้าผู้ใดมาภาวนาเพียนเพ่งให้เห็นห้าเชขันห้าอายตนะทางหลายนี้ให้มันแจ้งใสในจิตใจของตัวเองไม่ให้มันเห็นแต่ภายอก พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทงทรงตัดว่านามะรูปังอะนิจจ์นามหมายถึงจิตใจแล้วว่านามะรูปังนามและโลกไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนอะมันเที่ยงก็มานอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนกน็นอนอยู่นั่นจนกระทั่งตายได้ไหมมันนอนไม่ได้ เมื่อแกแล้วสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนอยไม่ได้ล่ะต้องคลอดต้องเกิดออกมาเกิดออกมาทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวมันก็ความไม่เที่ยงอีกมีการเจริญขึ้นบุคคลใดร่างกายมันดีก็เจริญขึ้นบุคคลใดร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเดอว่าเกิดก่อนอา เก้าเดือนซิบเดือนมักจะไม่รอดเกิดมาแล้วก็ไม่พ้นจากความตายเรี่ยงยากมันไม่พร้อมนี่แหละให้เรากำหนดเรื่องที่ตัวเองผ่านมาแล้วมันจะผ่านต่อไปข้างหน้าเห็นคนเกิดก็เอามาเตือนใจของเรา เห็นคนแก่คนชราก็จะไปแส ด, แดงความลังเกียดเดียดฉันเอามาสอนตัวเราว่าเมื่อเราแก่ชราก็อย่างนี้เองเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บก็เอามาเตือนจิตใจของเราให้ได้ว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพยาโลคคามาถึงเข้า ก็เหมือนเนี่แหละเหมือนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยลงพยาบาลคือว่าลองศพลงผีนั่นเองไม่ใช่พยาบาลให้หายอย่างเดียวเราคิดแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปลงยาไปลงพยาบาลจะได้หายมาไม่แน่บางคนมันไม่ได้มา ไม่ได้มามันไปไหนก็หมดลมหายใจก็ไปสู่ป่าเหวป่าช้ามันได้มาพระเนนก็ไม่ได้กลับวัดกลับไปพ่นละที่เผาไฟผังดินนี่แหละร่างกายสังขารอันนี่เราจะมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของกูอยู่ตลอดเวลามันยึดได้ที่ไหน จองเพียนแท่งดูด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้ทั้งยาทั้งละเอียดต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราความจริงก็คือว่าซากอสุภกรรมฐานซากผีเด็บ ที่มันยังไม่ตายก็เรียกว่าเป็นซากผีดิบซากผีดิบเนี่ยมันอยู่เข้ามันนานเข้าแล้วก็เป็นซากผีตายซากผีตายนี่แหละเมื่อมันตายแล้วแต่ไม่มีใครเอาผีจีกระดูกตายที่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั่นแหละกระดูกเนื้อหนังบางสังมันเน่าเปื่อยกินเน่ากินเหม็นมันก็เต็มอยู่ใน น, นั้นผลที่สด กระโดก็ฝังลงไปในดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละทำไมไม่รู้คือว่าไม่ได้อปปนะยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามานี่แต่ส่งจิตส่งใจออกไปไม่ได้มากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทุกคนกำหนดตัวเองกำหนดธาตุสี่ขันธ์ด้วยสติปัญญาของตัวเองสอนจิตสอนใจของตนให้ได้อย่าปล่อยให้วันเวลามันล่วงเลยไปจนแก่ชราทำอะไรไม่ได้ ก็จะมีแต่อยากได้อย่างเรยวเราไม่ทำไม่พินิษพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ตัวเองกำหนดร่างกายสังขารของตัวเองนอกนั้นเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายอย่างไรท่านก็ให้เอามาสอนจิตสอนใจของตัวเอง ไม่ต้องไปโกรธให้คนโน้นไม่กล้องไปอิจฉาตาร้อนแก่บุคคลใดๆทั้งสิ้นทำจิตทำใจของตัวเองให้มีความองคอาจกล้าหารมีสติอยู่ทุกลมหายใจเขา้ามีสติทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วว่ากำหนดมรณะกรรมฐานได้อยู่ทุกลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปก็ตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้ที่มันยังไม่ตายก็คือว่ามันยังเข้าออกคล้องตัวมันโยูถ้ามันคล้องตัวไม่ได้เกิดหายใจเข้าแก้กองก็คือแก้เดียวเน่ขนาดนี้เพียรเพ่งดูตัวของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดศีรษะ เบื้องตามแต่ปลายผมศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้าจะจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบให้โดให้พินิพิจารณาตั้งแต่บัดนี้เดียเ๋ยวนี้ให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาวิชาความโลภของตัวเอง ไม่เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านครูบาอาจารย์ว่าว่าแล้วก็แล้วไปแต่เราไม่มีความสนใจเอามาพินิจพิจารณาจนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ในทางธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นก็คือไม่น้อมเข้ามาไม่พิจารณาดูตัวของเรานั่งอย่างไรนอนอย่างไรยืนอย่างใดเดินไปมาที่ไหนไม่ดูตัวเองไม่พิจารณาถาตกรรมฐานอสุภกรร ม, มาฐานของตัวเองปล่อยให้จิตใจอภิชาตัญหาภากินพานอนสนุกเคฮาภาษากิเล สนุกไปสนุกมาก็ตายนั่นเองไม่เห็นหรือดูตัวของเราให้ดีว่ะตัวเราเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายหรือเมื่อยังไม่ตายก็ให้รู้ว่ามันจะต้องตายแน่ๆในอนาคตตการนอกนั้นเราก็ให้คิดดูว่าเราเกิดในท้องแม่พ่อแม่อันเดียวกันมีพี่น้องด้วยกันกี่คนเดี๋ยวนี้พี่น้องตายไปกี่คน ดูให้ดีพิจารณาให้ได้เพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาในปีเดียวเดือนเดียวกันในชาตินี้เนี่ยเขาตายไปกี่คนเขาตายอยู่ทุกวันเราไม่รู้หรือคนเกิดมาในโลกแล้วหนีตายไม่พน้นที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่มนุษย์อื่นมันก็ตายอยู่ พลัมหายใจเข้าออกนีนเขาก็ตายอยู่แต่มันลายมันกว้างออกไปไม่ได้เห็นแต่เราภาวานานั้นให้เห็นความตายพลัมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อมันเห็นจริงๆแล้วความว่าเววิตกวิจารต่างๆมันก็หายไป กิเลสความโกรธมันก็เบาไปกิเลสความโลภความอยากได้ในใจมันก็หายไปกิเลสความหลงมันหลงทางหลงทางไปหลงทางมาฟุ้งซ่านลำคาญคิดไปมันก็จะหายไปเนะ่ยเจตมันจะได้แจ้งแทงตลอดภายในดวงใจแน่น้นการปฏิบัติบูบชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าไม่มีการไม่มีเวลาโพรใดน้อมเข้ามารวมเข้ามาภาวนาลงไปในจิตใจของตนจริงๆเมื่อใดเวลาใดก็รู้เข้าใจเมื่อนั้นเวลานั้นบางคนก็มาถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติบูชาภาวนา ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสจะเลิกได้ละได้ไหมขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อหลวงตาจะไปช่วยใครได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็นสอนให้ตัวเราทุกคนช่วยตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นจะไปช่วยได้ คนอื่นมันก็เป็นเพียงแนะนำสั่งสอนบอกลั่งสั่งสอนไปตามธรรมดาผู้สอนตัวของเราจริงๆก็คือสติสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจให้มัน่นคงไม่ให้จิตใจงอนแง่นคอนแขนให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงโยในจิตใจของตัวเอง เกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแก้มาให้มันแก่ชรามันต้องมีความเจ็บความไข้ความตายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้ความไม่โลภนี่แหละจึงจำเป็นต้องปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจมันขาดระยะจะนึกพุทโธก็พุทโธในใจเอาทุกลมหายใจเข้าออกโชดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธ ลมหายใจออกมาก็พุทธโธเอาให้จิตมันมองให้มันเห็นแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้เมื่อทำให้แจ้งในสติปัญญาของตัวเองความลกูกความฉลาดความสามารถอาถานก็ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เอาสติปัญญามาจากที่อื่น เกิดขึ้นมาในกายในจิตของเราที่เราเนนิ็นิจพิจารณาอยู่นิจเองเหมือนบุคคลเขาทำโปรกฝังอะไรขึ้นมาทำสวนทำนาทำอะไรก็ตามเขาก็โปกกลงไปในผืนแผ่นดินเมื่อรักษาให้ดีไม่ให้ต้นไม้เข้ากล้านั่นเกิดเสียหายผลมันก็เกิดขึ้นมา ให้คนเราได้มมเข้ากินมีดินอยู่มีต้นไม้มีอะไรต่อมีอะไรมันคนเราทำเท่านั้นคนเราปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนเป็นผู้เทศนาสั่งสอนไว้ พระองค์ปลอดเบนายาสัตว์ ท, ท้งหลายอยู่สี่สิบห้าปีพระองค์ไม่มีความท้อถอยประการใดจนอายุแปดสิบปีบริบูรณ์พระองค์ก็ดับขันเข้าโซนะหรือผ่านไปเมื่อเจตใจถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างชาวเราทั้งหลาย เพราะจิตใจท่านพ้นไปแล้วเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์าอายตนะทั้งหลายมันไปจากตัวเราทุกคน น, นั่นพุโทโธอยู่ที่นี้ธรรมโออยู่ที่นี้สังโฆอยู่ที่นี้อยที่ใจของเราทุกคนไม่ช่โยที่อื่น จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีพลังงานอันสามารถอาจหานไม่ให้จิตใจมันทอดแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ไม่ได้ใครจะไปหลบเลีกความแก่ความเจ็บความไข้ความตายได้ไม่มีเป็นสัตว์ก็ต้องตายในเพศสัตว์เป็นคนก็ต้องตายในเพศคนเป็นหญิงก็ต้องตายได้เป็นชายก็ตายได้ เด็กๆ ก, ก็ตายได้คนนมคนแข็งแรงก็ตายได้มันตายได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อมันตายได้ทุกขณะทุกเวลาแล้วยังจะประมาทโมเมาอีกไปถึงไหนเรามีแต่รอ้ารอฝนอยู่ที่ไหนไม่ตั้งใจเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดเตือนไว้เป็นสุดยอดว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกผู้สอนท่านว่าอย่างนั้นที่จะละกิเลสความโกรธโลบหลงได้นั้นก็ขึ้นโยกับตัวเองตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล จนมีสติสมาธิปัญญาจนเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาจนเห็นแจ้งภายในจิตใจของตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หลงเป็นผู้เมาเป็นผู้ประมาทเราจะประมาทไปถึงไหนบัดนี้เวลานี้การเกิดแก่เจ็บตายของเราทุกคนก็มาในโลกนี้จนนับไม่ท่วนแล้ว ถ้าใจของเรายัางย่อย่อนท้อถอยไม่กล้าสละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสอนเราได้นั้นคือว่าตัวเราสอนตัวเราเองจึงจะได้คุณงามความดีถ้าเราไม่สั่งสอนตัวเราทุก กระเบียดนิ้วแล้วความโง่เขาเบาปัญญาก็จะทับถมจิตใจของตัวเองจนกระทั่งตายก็จะต้องตายทิ้งเปล่าๆแทนที่เราจะได้รับคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจในชาติที่เรามาเกิดนี่ก็จะไม่ได้อะไรติดตามไปเมื่อชลาพยาธิมาถึงเข่าก็ตาย โขกมัดลัดลึงให้เวียนว่ายตายเกิดนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วเกิดมาแล้วก็ยังอยากจะนอนอยู่อีกก็คือว่าความลุ่มหลงมัวเมาในใจอันนี้มันไม่สางจาลงไปได้เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาคาอยแค่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าจะนั่งภาวานาใต้ลุกขโมลล่มไม้ต้นไมโพนั้นพระองค์มาละลึกได้ว่าจะต้องสละชีวิตลงไปมันจะตายก็ให้ตายอยทินี้ไม่ไปตายที่อื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นเจ็ดใจมันก็กล้าขึ้นมาก ความท่อแท่อ่อนแอก็ไม่มีจิตใจพระองค์ก็สงบประงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่หนักแน่นเหมือนกระแผ่นดินแผ่นดินหนักแน่นอย่างไรเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีความหนักแน่นเหมือนพื้นปะสุธาหน้าแผ่นดินเหตุนั้นเราทุกโรคทุกนามทุกตัวตนคนเราย่าได้มีความท้อถอย ตั้งหน้าตั้งใจตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาชิน 5, ช้นห้าชิ้แปดชิสิบสองรอยี่สิบเจ็ดของตนให้เจริญก้าวหน้าลดหน้าไปนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิชาความรู้ในทางธรรมปฏิบัติ แล้วเราทุกคนก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชนตุสภะโลโกวินาตุมาเตภวัตวันตรยโย สขิเทคายุกโกภะอภิวาธานาชีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมวทันติอายุวันโนโศขังภาลังบัดเนไดเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งแต่โลภร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็นกองทุกข์ในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่โลภร่างกายใจยังไม่ได้นั่ง ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจแผงโดูร่างกายสังขารของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดศีรษะปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท่าตาจัปรยันโต มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบการภาวนานั้นให้จิตใจโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเพราะว่าหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เป็นพระกรรมฐานตัวสำคัญ หนังที่ห้มร่างกายของคนเราอยู่นี่ป้องกันชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งถ้าอะไรมาโขกมาต่ำเข้าจนเลือดออกหรืออะไรต่อนี้อะไรวิกรมวิการไปหนังหุ้มหอรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออก เมื่อนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเราถ้ามันมีกลมมีการก็ถึงตายได้ทุกลมหายใจจงมองเห็นชีวิตของตนเองทุกคนว่า อัปปังชีวิตดังอัปปังนี้แปลว่าน้อยชีวิตของคนเราเหลือน้อยมีน้อยเต็มทีเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านี้เองถ้าเกิดลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็แตกดับลงไปเมื่อนั้น จึงให้พากันตั้งใจภาวนาเพียรเพ่งมองให้เห็นแล้วให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจึงจะเข้าใจล้อมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตายท้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกัน เพ่งมองภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจนรู้จักว่าชีวิตเป็นของน้อยจริงๆไม่ใช่มากมายอะไรนักหนาะจนจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตายเกิดความสลดสังเวชในจิตใจของตัวเอง ว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆทั้งตัวเราด้วยบุคคลทั้งโลกที่เกิดมาแล้วก็เหมือนกันหมดถ้าจิตใจเมความสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายได้นั่นแหละมรณะกรรมฐานปรากฏ ในจิตใจของผู้ภาวนาถ้ายังไม่สลดสังเวชในความตายจิตมันกบเลินไปว่าเรายังเด็กบ้างเรายังหนุมแข็งแรงบ้างเรายังไม่ใกล้ต่อความตายความตายยังห่างไกลอยู่อันนี้จิตใจมันก็ประมาท เมื่อจิตคิดเห็นอย่างนั้นพระองค์ตัดว่าความประมาทเมื่อจิตตั้งโยในความประมาทก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาโยในกิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะไม่ลดละลงไปได้เลยเพราะว่าความประมาทนั้น มันปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างมรณะภัยคือความตายมันใกล้ที่สุดแต่เมื่อความประมาทในจิตภาวนาความตายไม่หยั่งลงในใจก็เล่นเล่อเผ ล, ลอเล่อจะนับอ่านเท่าไรเหมือนพระอนุนว่าได้หลายพันครั้งก็าตาม พระองค์ก็ยังตัดว่าการกาหนดความตายหลายพันครั้งยังเป็นช่องว่างประมาทอยู่พระองค์ก็สอนให้ใหม่ว่าจงนึกถึงความตายนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงไม่ประมาทขนาดนับได้เท่านั้นเท่านี้พันก็ยังเป็นความประมาท อันนั้นมลนะภัยคือความตายยาภากันประมาทประมาทไม่ได้เวลามลนะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่า ความตายมันอยู่อื่นมันไม่ใช่ตายในธาตุดินน้ำไฟลมนี่อันความตายเขาหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดมไม่ได้หมายถึงจิตตายจิตนั้นมันมีตายเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวมาเอาร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัว ธาตุดินน้ำไฟดมนี้เวลาที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมันรวมกันอยู่สม่ำเสมอทำงานตามหน้าที่ของแต่ละธาตุไม่มีธาตุใดบกคร้องหรือขาดไปชีวิตจึงเป็นอยู่ถ้าธาตุดินเสียไป ก็โยไม่ได้ธาตุน้ําเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุไฟไม่มีร่างกายไม่มีความอบอุ่นมีแต่เย็นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ธาตุดินน้ําไฟลมมันรวมกันเข้ายัางสามมิตีปองดองกันอยู่ คนเราก็อยู่ตามธาตุที่มันอยู่ดีสบายนั่นแหละจึงอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเท่าไม่ว่าคนแกช่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรงไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้ เพราะว่าความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงนอกเหนือจากอำนาจของคนเราหรืออำนาจของไกลๆจะมาป้องกันได้เมโยยางเดียวต้องภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจผู้โรโยในตัวในใจของเราเอง ให้ตื่นตัวอยู่ทุกเวลาเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ได้ยินกลองไหนก็ให้รวมใจอยู่ที่กลองนั้นไม่ต้องส่งใจมาฟัง กำหนดจิตใจดวงที่โล่เสียงกระทบไปถึงโหไปโล่ในจิตเจ็บใจคนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่มีลูปร่างสีสันตานแต่เมเสียงกระทบไปก็รู่ไม่มีเสียงก็รล้โลปเสียงกลิ่นรสพอตระทำมาลม ก็โยในจิตใจดวงโพโลอันนี้แหละจงรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ถืวว่าการปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันภาวนาไม่ขาดระยะจะกำหนดให้เห็นทุกข์เห็นภัยอย่างใดก็ได้ ว่าแต่เป็นโอบายเตือนจิตใจของตัวเองได้ก็เป็นอันว่าพาให้จิตใจมีความสงบโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบอย่ามาหลงยึดมั่นถือมัน่นว่าร่างกายตัวตนอันนี้เ ป, นเป็นของมั่นคงยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันรอรอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองนะมรณงเมภวิสติจงพากันเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง ทำละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหมดสิ้นไปในที่สุดอย่ามายึดไว้ถือไว้ว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกไม่มีใครยึดไว้ได้ถ้าความแตกดับมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราจะร้องขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยไม่ได้ ตัวเองต้องช่วยตัวเองคือจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ขาดไม่ขาดทุกลมหายใจเข้าไม่ขาดทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปเตือนคนอื่นพู้อื่นจะโล่จะหลงอย่างไรให้ยกไว้เป็นพิเศษเป็นเรื่องของเขา เขายังไม่โลไม่เข้าใจเมื่อใดก็ลหลงไหลอย่างนั่นแหละเราทุกคนก็ต้องเอาใจของเราให้ได้รวมใจให้หยุดให้โย่ปล o งสังขารอันนี้ให้ตกมันจะไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินไปไหนก็อย่าได้พรั่งเผลอ กระทบโลกเสียงกิ่นรถพอทธะธรรมอาลมก็ให้พันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่งตางๆเดียวว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวนาไม่ให้ขาดแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกำลังมีความสงบละ ง, งับ เป็นไปได้โดยลำดับลำดับไม่ใช่เราคิดอยากให้มันได้มันเป็นก็เป็นไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นการนึกการน้อมการภาวนาการนึกถึงมรณะภัยคือความตายนึกถึงคุณพระพุทธเจา้าพุทโธพุทโธเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสระนประสงค์เป็นสรณะนาเนกได้เจริญได้ทางนั้นเลยว่าแต่ให้มีสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเมื่อความประมาทมีโยู่ความหลงก่ทับผมหัวใจ หาเวลาเยือกเย็นสบายไม่ได้นี่เป็นโนบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญามีวิชาความรู้โยในจิตในใจของตนทุกคนก็จะมีความสุข ก, กายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใด ดังสแสดงมาก็ส้มคกรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนันีสัพพิติโยมีวัชันตุสัพพะโลโควินาจโตมาเตภวัตวันตรยโยสกิธิกายุโกภะ อธิวาธานาเสตสินจังบุต ธ, ธาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอโส ข, ขังผาลัง